ว, วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันธ์สองพัน้าร้อยหกสิอยังจำได้อยู่ <laughs> okay. วันนี้ก็เป็นวันที่สามของการปฏิบัตินะในหลักสูตรมคานุคาเข้มที่ยุคพุทธศสองปีนี้ก็สองครั้งยุคูุธศักรสองมีสองครั้งนี่ครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้ง เมื่อคืนเราฟังพุทธพจน์บทนี้ไปนะภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนะและทําไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายกําเก่ากายนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นะบรรทัด <c oughs> สุดท้ายเนี่ย อะไรที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ก็คือวิญญาณ น, นั่นเองวิญญาณเข้าไปรู้แจ้งอารมณ์ตัววิญญาณพระเจ้าปฎตรัสว่าจิตมโนวิญญาณก็คือไวจพ์ซึ่งกันและกันคนเนี่ยชอบไปคิดว่าจิตทำหน้าที่มีการรับรู้คิดหรืออะไรเงี้ยมโนคือใจมีหน้าที่ เข้าไปรู้สึกถึงสุขทุกข์นะใจองค์แต่งขึ้นมาเป็นสุขทุกข์วิญญาณรู้แจ้งในอารมณ์ก็เหมือนกับคนละตัวทํางานกันคนละอย่างก็เลยสงสัยว่าเอา้าทำไมพระเจ้าบอกว่าจิตมโนวิญญาณเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันคําว่าไวโพ์ก็คือใช้แทนกันได้เลยนะคําว่าใช้แทนกันได้ก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ เช้าตื่นขึ้นมาก็ทำหน้าที่แม่นะทาหน้าที่แม่ดูแลลูกเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บไปถึงที่ทำงานกลายเป็นผู้จัดการกลายเป็นผู้จัดการพอตกตอนเย็นก็สมมติไปเข้าวัดนะทําวัดสวดมนต์ที่วัดก็กลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะอย่างเนี้ยเรียกเป็นวัยพศซึ่งกันและกันนะแล้วในความเป็นจริงจิตมนโนวิญญาณก็มาจากเดียวกัน คือจิตธาตุที่งทาหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละขณะจึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละขณะเดี๋ยวก็เป็นแม่เดี๋ยวก็เป็นผู้จัดการเดี๋ยวก็เป็นโยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่างท่านเนี่ยจริงๆถ้าเราจะบอกว่าก็คือคนเดียวกันก็ถูกก็ถูกแต่ความจริงก็ไม่ใช่นคนเดียวกันนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้เข้าใจเฉยๆนะ เพื่อนจะได้เข้าใจคำว่าจิตมโนวิญญาณทำไมพระุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นแบวัยโคสซึ่งกันและกันสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลนี่มีเพียงหนึ่งรูปนามเป็นคำอธิบายเฉยๆแต่จริงๆรูปนามไม่มีมีแต่นามรูปที่ผสมกันก็ต้องบอกว่ามีนามรูปที่ประกอบด้วยสัญญาและใจถ้าอย่างนั้นก็ชัดหน่อย ก็คือชีวิตเอาละในเมื่อเราเริ่มมาถึงตรงนี้แล้วนะกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเรามาดูพุทธพจน์บทหนึ่งที่ก็เพิ่งจะนำขึ้นมาสาธยายแล้วก็น่าจะเป็นการสาธยายในกรุงเทพเป็นครั้งแรกนอกนั้นก็บรรยายู่ที่ วัดหลวงพ่อที่พัทธลุงบ้างที่สวนยินดีบ้างพุทธพจน์บทนี้ชื่อคีรีมานนทสูตรหลายท่านที่อยู่ในแวดวงธรรมะเขาอาจจะเคยได้ยินเรามาดูที่มาของพระสูตรนี้ก่อน อาจารย์เจ้าหากำหนดไว้ว่าที่ริมานันทสู่ออ้ามือความว่าครั้งประถมะสังฆนาพระมหาสังคาบกเขเรเจ้าทั้งหลายห้าร้อองค์ยอนโอกาสไว้ให้พระอานอนท์องค์หนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอานอนท์องค์เดียวกำลังเจริญสมถาวิปัสนาอยู่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหัน รัพระอานน์เทรเจ้าได้สาเร็จพระอาัลหารแล้วก็เข้าจจตุทยานเอาปัทวีกสิงเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะท่ามกลางสงให้พระสงฆ์สิ่งความสงสัยในอลรหัตคุณที่ทำสัตบัญญูหาปิยานตนอเสขภูมิด้วยประกาชนีแล้วพระมหาสังฆาหกเทรเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัสปะเป็นประธาน จึงได้อาราธนาเชื้อเชื้อให้พระอนุนขึ้นนั่งเหนือธรรมะแสดงพระสุดตัณฑพิดกเท่าละ่ะให้เรานึกย้อนไปถึงวันที่วันปฐมสังขยนานะพระเจ้าปรินิพานไปแล้วในครั้งนั้นพระมาหากษัตริเกิดไปได้ยินภิกษุหนุ่มสองคน คุยกันหลังจากผู้เจ้าปรินิพานไปคงแรกก็บอกว่ า, าทํานองว่าน่าเสียดายวันนี้พระสัสดาไม่อยู่แล้วแต่ส่วนอีกองคหนึ่งก็บอกว่าเอาดีสิไม่อยู่พวกเราก็จะได้ทําอะไรได้ตามอําเภอใจไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาคอยตักเตือนคอยว่าคอยบอกคอยสอนอีกนะพวกเราก็จะได้ทําได้ตามใจ หลังจากที่พระมากรัสะปะได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาคงจะต้องสังขยานาคําสอนพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งหมดเพื่อให้ที่เคยทูลถามพระเจ้าว่าเมื่อพระองค์ไปิ่านไปแล้วจะให้ใครขึ้นมาแทนท่านบอกจะมีพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องสังขยานาพระธรรมก็คือคาสอนของพเจ้าขึ้นมาทั้งหมดทีนี้ จะสังคยานายยังไงเพราะตลอดเวลาที่พระองค์ประกาศธรรม45ปีไม่เคยมีการจด บ, บันทึกเลยอย่าคิดว่ามีพระไตรปิฎกมาตั้งแต่ท่านมีนะไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นคําสอนเนี่ยอยู่ที่ไหนครับคําสอนอยู่ที่ภิกษุคําสอนอยู่ที่ภิกษุทั้งหมดเลยแล้วทํำยังไงถึงจะรวบรวมคาสอนกลับมาได้ ก็แปลว่าต้องเอาภิกษุที่เคยฟังพระพุทธเจ้ากลับมาพูดให้ฟังนี่ก็คือหลักการเบื้องต้นต้องเอาภิกษุกลับมาแล้วจะเอาใครล่ะภิกษุมากมายไก่กองเป็นพันเป็นหมื่นแล้วจะมีใครล่ะที่น่าเชื่อถือได้ก็ต้องสกรีนเล็กลงไปถ้าอยงนั้นต้องเป็นภิกษุที่ได้ฟังจากพระโอษฐ์ไม่ใช่ฟังต่อข้อที่หนึ่งสองภิกษุ เพื่อจะให้แน่นแน่เลยเป็นสายตรงจากผู้เจ้าต้องเป็นเอหีพิขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้แล้วก็สอนก็จึงรวบรวมพระอรหันต์เท่านั้นด้วยถึงจะทำให้พระธรรมทั้งหลายไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างที่หลวงปู่มั่นนำมาบอกสัจธรรมหรือพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อเข้าไปประดิษฐานในจิตของปุถุชนพระธรรมนั้นจะกลายเป็นสัตรรมปฏิรูปนึกออกไหมต่อให้มีคนพูดพุทธพจน์ออกไปคนร้อยคนที่เป็นปุถุชนนั่งฟังจะมีการตีความกันจากความเข้าใจด้วยตัวกูของกูและเหตุผลประสบการณ์ของตัวเองทั้งหมด เขาเานั้นคาพระพุทธเจ้าหนึ่งคำจะออกมาเป็นร้อยความหมายตามความรู้สึกของคนฟั ง, งทันทีถ้าอย่างนี้เพี้ยนแน่เพราะฉะนั้นเหลือบุคคลประเภทเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อธรรมนั้นเข้าไปเมื่อจับไม่มีตัวตนก็จะเหลือแต่พระอารหันต์ดังนั้นพระอารหันต์ที่เป็นเอหิพิภูปะสัมปทาก็จึงถูก คัดเลือกกันเข้ามาประมาณห้าร้อยคำว่าห้าร้อยไม่ได้ห้าร้อยแบบสี่ร้อยเก้าเก้าแล้วห้าร้อยห้าร้อยแปลว่าเยอะมากๆแล้วก็อย่างที่เราฟังเมื่อกี้นี้คือเว้นที่ไว้ให้พระอนุนหนึ่งที่เพราะว่าก่อนหน้านี้พระนนเป็นพระโสดาบันเพรน้นเข้าที่ประชุมนี้ไม่ได้จนกว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระลรหันแต่ว่าพระอนนเป็นผู้ได้ได้ฟังพระพุทธเจ้ามามากที่สุด ก่อนที่จะเป็นผู้ถือผูกปากก็ได้ขอพรพระเจ้าแปดประการซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไม่ว่าท่านจะไปเทศนาบรรยายที่ไหนกลับมาจะต้องพูดทำนั้นให้พระนลฟังอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ท่านออกไปครับไปเพิ่กลับมาก็ต้องพูดแบบเดิมให้พระนลฟังอีกรอบหนึ่งพระนลก็จะทรงจําทรงจําเพราะฉะนั้นจะมีคนเดียวที่ได้ฟังไม่ว่าจะไปพระองค์จะไปที่ไหน มีคําอุปมากล่าวว่าในแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยหลังจากพิธีสังขยานาเนี่ยมาจากพระนนท์แปดหมืนสองพันพระธรรมขันธ์นอกนั้นก็คือฟังจากพระพระอระหันต์องค์อื่นๆทีนี้เมื่อมีการพูดกันขึ้นมาเล่ากันขึ้นมาแล้วมีการยืนยันนในที่ประชุมสงฆ์มีการยืนยันว่าจริงเคยได้ยินอย่างนี้จริงๆก็พระอระหันต์ทั้งหมดก็จะสวดขึ้นมาที่เราสวดสวดกันนั่นเ สวดกันมาสอง0ันหกร้อยปีจากวันนั้นเช่นธรรมจักรกับปวัตนสูตรข้าพเจ้าพระอนนเทละได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่านี่ท่านไปนสวดกันเนี่ยธรรมจักรสองบรรทัดแรกก็คือจากวันนั้นเนี่ยมีการสวดต่อกันลงมาจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะถูกเผานาลันทากันไปแล้วเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งที่ฝังเอาไว้ในหัวใจ ของแต่ละคนที่ช่วยกันสดวดมนต์ท่องบนต่อกันมาเนี่ยจริงยังคงอยู่ไม่ว่าซีดีจะหายยูทูบจะพังนะของที่ฝังเอาไว้ในทุกคนเนี่ยที่จะสืบทอดต่อไปที่พระทุกรูปนั่งสดวดมนต์กันทุกวันก็จะสืบกันต่อไปเรื่อยๆสืบกันต่อไปเรื่อยๆยยคิลิมาโ น, นทสูตนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไว้อย่างนี้ พระมาหากษัตรเทเรจ้าจึงถามพระอ น, นุลว่าอา น, นุลทะดูก่อนอนนุลพระสูตรอันชื่อว่าทิริมาอา น, นทะสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศนานาที่ไหนปรารุบอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนามีวิถีฐานพิสดานอย่างไรขอให้พระอ น, นุลเจ้า จงแสดงต่อไปในกาลาบัดนี้อาทาโขอายสมาอานันโธลำดับนั้นพระอาโนนเถระเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมะได้โอกาสแต่พระสงฆ์แล้วจึงวิสัชนาพระสูตรนี้มีคำปฏิ ญ, ญาในเบื้องต้นว่าเอวัมเมสุตันดังนี้ข้าพระเจ้าผู้ชื่อว่าอาโน์ หากได้สดับมาแต่พระโอบแก้วกล่าวคือพระโอษแห่งพระพุทธเจ้าดำเนินความว่าเอกลงสมัยังสมัยการคาบหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสำราญพระอิริยาบถอยู่ณพระเชตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถี ในการนั้นพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าคิริมานนเถถรัตผู้มีอายุอาพาทิโกเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกลั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงให้เชิญข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนเข้าไปยังสานักแห่งตนแล้วจึงกล่าวว่าอานันทาดูกร อ, อานนข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานนนี้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 อันตรธานหายเถิดข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนนรับเทระวาทีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้ากราบทูลอาการแห่งอาพาธและทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคีรีมานนให้สงสราบทุกประการแล้วก็เป็นที่มาของพระสูตรก็คือพระคีรีมานอนอาพาธหนะัก ก็จึงฝากพระนนท์ไปกราบทูลพระศาสดาที่มาการอาพาธก็ไปไม่ไหวแล้วเอาละจากนี้พระพุทธเจ้าก็จะฝากคำสอนไปหาภาพพิดิมนน์โดยผ่านพระนนท์ไปอัคคขูในกาลครัั้งน้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อได้ทรงทราบอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนแล้วจึงตรัสแก่ข้าอานอนว่าอานันทะดูก่อนอานอนท่านจงกลับคืนไปสู่สำนักของท่านคิริมานนโดยเร็วแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าวิสุทธจิเตอานันทะทเวสัญญาสุตวาโสอาพาโทฐานาโสปฏิปัตสัมเผยยักดังนี้ ดูก่ออานอน์เมื่อท่านไปถึงสำนักพระทีมานนแล้วท่านจงบอกสัญญาสองประกาศคือรูปประสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่งคือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือนามในกจิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีให้ปลงธุระเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตน และยาเข้าใจว่าเป็นของของตนทุกสิ่งทุกอยา่างให้ปองทุระในรูปสัญญานามสัญญาซะคำว่าสัญญาเนียไม่ใช่แค่จำได้หมายรู้ที่นึกถึงบ้านหรือว่านี่สีเหลียวสีเหลืองสีแดงสัญญาตัวนี้ ลึกลงไปจนกระทั่งมีความรู้สึกจดจำหมายมั่นหรือว่ากายเนี่ยเป็นเราใจทีความรู้สึกทั้งหลายที่มีการกระทบมีความรู้สึกความปวดความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นเราหรือจะเป็นอีกมุมหนึ่งคือเป็นของเราก็ได้อันนี้คือรูปปัญญานามสัญญาที่ฝังลึก ซึ่งสัญญาเนี่ยเป็นนามรูปถ้าใครศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะเห็นว่านามรูปเนี่ยมีสัญญาอยู่ในนั้นคำว่านามรูปคือสิ่งที่ไม่ใช่รูปนามแต่เป็นสิ่งที่เดียวกันเช่นรูปรูปจะมีนามอยู่ผสมปนเป จริงๆมันไม่ใช่รูปแต่มันเป็นนามที่เข้ามาควบแน่นกันจนกลายเป็นของแข็งเป็นหนึ่งเดียวจะบอกว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่านี่คือสนามพลังที่เข้มข้นมากเข้ามารวมตัวกันเหมือนกับบอกว่าจั ก, กรวาลคือความว่างแต่เมื่อบีบอัดเข้ามาแล้วมันกลายเป็นดาวต่างๆเมื่อขยายสลายกันออกไปเมื่อหมดพลังงานดึงในแต่ละโมเลกุลมันจะกลับไปสู่ความว่างอีกครั้งหนึ่งเป็นจั ก, กรวาลที่เราเห็น แล้วเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จะเกิดการบีบอัดขึ้นมาเพราะการเสียดสีของสิ่งที่มองไม่เห็นเกิดการระเบิดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็แตกสลายไปเมื่อหมดกําลังให้มันจะเกิดการบีบอัดแล้วก็แตกสลายบีบพัดแล้วก็แตกสลายอายุของจักรวาลก็จึงเกิดเกิดดับๆับเกิดเกิดดับดับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขนาดของใหญ่ขนาดนั้นก็ยังเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับแล้วของเล็กๆเล็กเล็ ก, เ, ลกเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจโลกจะเข้าใจจักรวาลเข้าใจไหม แต่คําว่านามรูปแต่งจะคําว่ารูปนามตรงนี้แหละตรงที่ว่านามรูปเนี่ยอย่างเช่นรูปที่เราพูดคําว่ารูปในรูปประคันเนี่ยความเป็นจริงมันคือนามรูปมันมีรูปอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้ามีรูปอย่างเดียวจะเรียกว่าศพเมื่อไหร่มีสภาพรวมกันเข้าไปมีจิตเข้าไปเข้าไปรวมด้วยเนี่ยมันจะเกิดเป็นสภาพของนามรูปดูเหมือนกับเป็นรูปแต่ไม่ใช่รูป มันมีมันมีทุกอย่างอยู่กันเป็นหนึ่งสัญญาไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นตัวสัญญาอย่างเดียวแต่สัญญามาจากส่วนผสมของความเข้มข้นที่เข้ามารวมกันที่เรียกว่าสมองในส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่ดังนั้นนามรูปในปฏิจจสมุปบาทจึงแสดงความหมายอย่างนี้ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเพราะมีวิญญาณเนี่ยเพราะมีวิญญาณขึ้นมาก่อนจากสภาพจิตที่แปรเปลี่ยนตัวเองกลายมาเป็นวิญญาณ น, นี่แหละที่เกิดปัญหาจึงได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเนี่ยแหละจึงได้ไปก่อนามรูปเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเรามองนามรูปเนี่ยอย่ามองว่าเป็นแค่ร่างกายเป็นท่อนๆเป็นก้อนดิน มันเป็นส่วนผสมของทั้งรูปและนามอยู่ในนั้นเป็นหนึ่งเดียวแยกไม่ออกแยกไม่ได้แยกไม่ได้ผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราพูดกันที่สมองเราจะนึกภาพไปออกว่าสมองมันเห็นภาพได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ไม่มีทางไปถึงจุดนี้ได้เพราะวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเข้ามาถึงสภาพของนามรูปนี้ได้จึงกลายเป็นทำไมของแข็งที่เรารู้สึกว่าสมองจึงมองเห็นได้ ทำไมของแข็งที่เป็นส่วนส่วนนี้ทำไมมันถึงมีการระลึกจดจำได้โดยผ่านกระบวนการนามรูปจะต้องอาศัยกระบวนการที่สร้างรูปขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ทาหน้าที่ของตัวเองเขาไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยมันเป็นพัฒนาการที่ขึ้นมาจากเรื่องปกติธรรมชาติสภาพทั้งหมดที่ผมพูดถึงไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของไม่มีเราเป็นเจ้าของเป็นสภาพว่างจากตัวตนทั้งสิ้นเป็นสภาพของอนัตตาที่ก่อขึ้นมา เพราะความไม่รู้ตั้งแต่ต้นจึงไปมีสังขารสังขารไปปใจใัจัยเกิดวิญญาณขึ้นมาจิตแปลสภาพขึ้นมาเป็นวิญญาณเพราะความไม่รู้เนี่ยวิญญาณจึงไปเกิดเป็นปัจจัยสร้างนามรูปนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาเรียกขันห้าพอมาเรียกขันห้าปับ๊บผู้เจ้าบัญญัติเรียกขันห้าเพื่อให้คนเข้าใจเป็นส่วนๆแต่จริงๆไม่เคยเป็นส่วนไม่เคยแยกเป็นส่วนแยกไม่ได้ เมื่อเข้าใจเป็นส่วนแล้วทุกอย่างจึงรวมวกลับเข้ามาที่เดิมเพื่อให้เห็นเพื่อให้เป็นอยู่ตามธรรมชาติเอาละสภาพนี้มันเกินแล้วนะนะแต่ก็เพื่อให้เข้าใจทีนี้กลับมาที่ผู้เจ้าตรัสฝากพระน์นบอกว่าให้ไปบอกท่านคีริมนนว่าให้ปรงธุระในรูปปสัญญาและนามาสัญญา ความจำได้หมายรู้ว่ากายเนี่ยเป็นเราเป็นของเราหร <c oughs> ือความรู้สึกทั้งหลายถ้ามีคนมาทำให้เราไม่พอใจนะพูดไม่ดีปั๊บเราก็รู้สึกว่าเราไม่พอใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเราทันทีนึกออกไหมความรู้สึกเนี้ยความรู้สึกเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเป็นเรา ท่านไม่ได้เห็นความรู้สึกนี้เป็นธรรมชาติอย่างเช่นนั่งปวดขานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดขาเกิดเวทนาทางกายขึ้นโอ้ปวดจังถ้าจบแค่ปวดจังอะไม่มีปัญหาเดี๋ยวสักพักพอมันเข้มข้นขึ้นเราทนไม่ไหว เ, นะเริ่มมีเราผสมเข้าไปแล้วไม่ใช่สภาพธรรมที่เป็นสภาพตามธรรมชาติแร้วแต่จะมีความรู้สึกลมๆแรงๆเข้าไปบอกว่าเราปวด เมื่อเราปวดสักพักเราจะทุกข์ใจบีบคั้นทนไม่ไหวตอนนี้เริ่มเป็นเราเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วทั้งๆ ท, ที่ของไม่เคยมีเพราะความไม่รู้พอไปดึงขึ้นเป็นเราเนี่ยความปวดทวีความรุนแรงขึ้นทันทีทีนี้ทนไม่ไหวล้วอหอยบาลังนี้ไม่ไหวจริงๆนดั่งไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่ามันปวดยังไงมันก็ไม่มีสมาธิทีนี้กิเลกก็จะผสมลงความคิดทั้งหลายก็จะผสมลงขึ้นมา จนกระทั่งทิ้งสัจจะแล้วก็ลุกทิ้งสัจจะเมื่อทิ้งได้หนึ่งครั้งสัจจะก็จะถูกทิ้งได้สองครั้งก็ถูกทิ้งได้สามครั้งสัจจะก็จะเริ่มไม่มีความหมายในใจของใครทั้งสิ้นของของคนคนนั้นไม่ใช่ของใครของคนคนนั้นน่เมื่อตัวเองตบัดสัตว์ทิ้งสัจจะไม่ยอมนั่งให้ครบตามเวลา และจะอยู่จะพบสัตว์จะทำที่ได้ยังไงเพราะสัจจะในใจของตัวเองก็ทิ้งซะแล้วความจริงหากเป็นของภายนอกสิ่งทางนั้นดูกร อ, อาหนอ์ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้เมื่อเขาแก่เท่าชราตามัวหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยกร่อนเจ็บปวดเหล่านั้น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 ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะพาเอาไปได้ตามความปรารถนาดูกรอานน์ถึงเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนหากว่าจิตเจตสิกเป็นของเราหรือเป็นของของเราก็จักบังคับได้ตามประสง์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจงสุขสำราญทุกเมือ่อ คำว่าเจตสิกนะสําหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาทำในชั้นอภิธรรมนะเจตสิก hmm. เนี่ยความหมายก็คือสิ่งที่เข้ามาประกอบจิตเกิดดับพร้อมจิต mm hmm. เช่นอารมณ์มันเป็นกุศลก็ดีอารมณ์มันเป็นอกุศลก็ดีเกิดดับพร้อมจิตอันนี้เป็นเจตสิกเจตสิก mm hmm. จะเกิดเดียเด่ยวๆไม่ได้จริงๆก็เป็นผลผลิตแตกแขนงมาจากจิตนั่นแหะ เพราะฉะนั้นจะเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ก็จะเกิดดับพร้อมกันอย่างเช่นเมว่ออารมณ์โกรธมีการกระทบเมื่อมีการกระทบทางผัสสะไม่วาจาูกตาหูจมูกดินกายใจก็ดีเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาขณะนั้นอารมณ์โกรธก็คือเจตสิกที่เกิดดับพร้อมจิตนั่นะเข้ามาประกอบจิตชั่วคราวสักระยะเวลาหนึ่งอสมุสติเข้ามา ล, ลึก สติก็เป็นเจตสิกฝ่ายกุศลก็เข้ามาระลึกก็เข้ามาประกอบจิตแทนเจตสิกฝ่ายอากุศลก็ดับไปเห็นในขณะจิตเดียวกันเนี่ยจะเกิดกุศลอกุศลพร้อมกันไม่ได้เกิดได้ทีละหนึ่งขณะแต่อาจจะมีองค์ประกอบมากมายจากธาตุต่างๆที่เข้ามารวมกันเป็นโสมภนจิตเป็นอะไรต่ออะไรนะถ้าใครศึกษาทางด้านนั้นผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญาเรืทางด้านนี้ แค่เห็นสภาพตามที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ลงไปรายละเอียดขนาดนั้นพละ ก, ก็แค่จะได้อธิบายให้ฟังเวลาท่านฟังคิงนิมันลจะได้เข้าใจว่าท่านกําลังพูดถึงเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นหลังจากการกระทบเนี่ยท่านก็บอกว่าควบคุมได้เหถอนะเดี๋ยวเก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็อะไรอะถ้าจะบังคับให้ชั่วโมงนี้ฉันจะนั่งสมาธิอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวฟุ้งซ่านอีกนะ บังคับไม่ให้มีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไม่ได้ท่านบอกว่าบังคับได้เหรอเจตแม้แต่เจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนของเรามาจากเหตุปัจจัยนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังพูดอย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จัพึงได้ตามปรารถนานิหาเป็นช่นนั้นไหมเขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขาเพราะเหตุร่างกายจิตใจ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนให้โปรงธุระเสียอย่าเข้าใจถือ่อว่าเป็นตัวตนแหลของของตนเถิดดูก่ อ, อาล น, นท่านจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปแลานามีโดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตนให้พระครีมาโนนแจ้งทุกประการ เมื่อพระคิริมาโนนแจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็มักจกหายจากสิริร่างกายแห่งพระคิริมาโนนสิ้นเสร็จหาเศษบอมิได้จักหายโดยรวดเร็วด้วยพันเตอริยะกัสะปะข่าแต่พระอริยะกาสะปะผู้เป็นประธานในสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ข้าผู้ชื่อว่าอาโนน ด้วยประการดังนี้แหละจริงๆคดีมร น, นทสูตรเนี่ยที่คุณอะไรคุณออมรุงอ่านเอาไว้เนี่ยมีความยาวสองชั่วโมงครึ่งประมาณเนี่ยสี่ตอนที่เอาไว้ใน u t u b e เนี่ยคือผมฟังดูแล้วเนี่ยพระเจ้าตัดเอาไว้แยกย่อยเป็นหลายเรื่องมากๆในครีมร น, นทสูตร ผมก็จึงนํามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ตัดเป็นตอนๆเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาแล้วก็ฟังบางคนต้องการฟังซ้ําเฉพาะตอนผมก็จึงมาเอามาให้ทีมงานตัดตัดใหม่แต่เนื้อหาเท่าเดิมนะเนื้อหาเท่าเดิมไม่มีการตัดออกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นแค่ตัดเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาก็จึงต้องเขียนเอาไว้อ ะ, อะเลยต้องเขียนเอาไว้ท่านสามารถเข้าไปใน youtube ตอนนี้ได้เลยพิมพ์คําว่าคีรินนทสูตร แล้วก็วักตัดตอนก็จะขึ้นเนี่ยหนึ่งทับสี่สิบสองทับสี่สิบจนถึงสี่สิบทับสี่สิบเลยตอนนี้ก็อัพกลับขึ้นไปเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเอาละทั้งนั้นในตอนที่หนึ่งเราจะเห็นว่าผู้เจ้าฝากพระนนไปบอกท่านคิริมนนว่าให้ปรงธุระในรูปรสัญญานักนามมาสัญญาแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าถ้ารูปถ้ารูปนี้เป็นของเราหรือว่านามนี้เป็นของเราแล้วไซสคือจิตใจนี่ ไม่ว่าจะจิตเจตสิกก็ตามเราต้องบังคับบัญชาได้แต่นี้เราไม่เคยบังคับบัญชาอะไรมันได้มันทำงานของเขาเขาก็จะเป็นอะไรของเขาเขาเป็นเขาจะคิดของเขาก็คิดเพราะฉะนั้นเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยที่เราควบคุมได้มันก็ควบคุมได้ไม่จริงนะทุกคนลองกั้นหายใจนะครับเห็นไหมท่านกั้นหายใจได้ถูกไหมกั้นไปเรื่อยๆนะห้านาทีก็พอเนี่ยก็ไม่ไหวละ เห็นอหมอขนาดกําลังกั้นอยู่ปอบอกให้ออกมาเลยไม่ได้บอกให้มันออกมันออกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขานักวิทยาศาสตร์ถึงบอกว่ามีการฆ่าตัวตายหนึ่งวิธีที่คนทุกคนทําไม่ได้ก็คือการกลั้นหายใจทําไม่ได้เ<ๆ>พราะเราควบคุมน้ํารูปนี้ไม่ได้นามรูปเนี่ยจากการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเองเนี่ย ด้วยเหตุปัจจัยของมันเนี่ยมันมีธรรมชาติหนึ่งที่ฝังรากลึกอยู่เป็นสัญชาตญาณก็คือสภาพหนีตายมีสภาพหนีตายจนกว่าจะถึงความพระงภาคนั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงสัญชาตญาณ น, นี้ได้เป็นสภาพหนีตายเพราะฉะนั้นจะมีสภาพกลัวตายมีสภาพกลัวตายอยู่เป็นพื้นฐาน เรีนสัตว์โลกเมื่อถึงความตายเมื่อประสบกับความตายเผชิญหน้ากับความตายสัตว์โลกจะกระเจิงทุกคนกระเจิงทั้งหมดจนกว่าจิตจะต้องฝึกเอาไว้ดีจริงๆจนกระทั่งจิตเข้าใจความจริงวางอุปาทานในขันลงจะหมดการสะดุ้งหวาดเสียวต่อความตายอีกแต่ตั้งแต่อริยบุคคลเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ทํำบาปทาชั่วแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครสะทกสะทาน สะดุ้งหวาดเสียวใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วจะเกิดก็เกิดจะเป็นอะไรก็เป็นแตะการที่ยังมีอุปาทานในพระโสภาบันก็ดีพระสกิทาคามีพระนาคามีก็ดีสิ่งนี้ยังคงเกิดอยู่ในจิตไหวๆแวบๆอยู่แต่ในพระอราหันต์คือขาดสะบัน้นไม่มีแบบสะดุ้งหวาดเสียวใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อโปรงธุระลงไปในรูปสัญญานามสัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยปล่อยทั้งหมดนะปล่อยออกไปทั้งหมด จากนั้นพระเจ้าก็บอกว่าโดยทั่วไปแล้วเมื่อสามารถวางรูปปสสัญญานามปัสสัญญาว่านี่คือเรานี่เป็นของเราเนี่ยทิ้งลงไดนะ้โดยทั่วไปที่ท่านบอกอาภาตทั้งหลายก็จะหายไปทีนี้คำว่าหายไปเนี่ยผมบอกให้เป็นสองในยะนะในยะแรกคือความเข้าใจของคนในโลกก็คือหายปวดหายหายจากโรคนั้นไปเลยสองโรคนั้นยังอยู่แต่ไม่มีเจ้าของ วันนี้ถ้ามีคนคว้างบ้านท่านน้ำล่วฝนตกน้ำล่วในบ้านเจ้าของบ้านเดือดร้อนนะถูกไหมเจ้าของบ้านเดือดร้อนเจ้าของบ้านเป็นทุกข์เจ้าของบ้านรู้สึกว่าน้ำบ้านชั้นรั่ววันไหนที่เจ้าของบ้านคนนั้นขายบ้านทิ้งไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้บ้านหลังนั้นน้ำจะล่วฝนจะตกมีคนมาคว้างไม่มีใครพูดถึงน้ำล่วไม่มีใครสนใจที่จะดึงว่า บ้านนั้นมาเป็นอะไรอีกบ้านนั้นมันจะเป็นอะไรก็เป็นมันก็เก่าอย่างนั้นแหละบ้านนั้นมันก็เก่าอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกต่างๆอะไรอีกในทางกลับกันก็คือไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นในหลายพระสูตรที่พระเจ้าพูดถึงอานาอาพูดถึงอริยมรรคยงแปดก็จะบอกว่าเมื่อเธอจเจริญอริยมรรคยงแปดความเกิดก็จะ ที่มีอยู่เป็นธรรมดาก็จะหายไปความแก่ที่มีอยู่ธรรมดาก็หายไปความเจ็บความตายก็เช่นกันอตกลงพะระลาหันหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นว่าถึงธทมยังป่วยไหมเจ็บนะไหมก็เห็นตายอแต่จริงๆท่านอยู่ไหนละ่ะบ้านท่านไม่มีเจ้าของแล้วเลรนจะมองในมุมไหนละ่ะ ใ, ในมุมพะระลาหันคือใช้คําว่าพะระลาหนเป็นหลักพะระลาหน์ เดี๋ยวค่อยไปดูในพวกหมายของที่คว่ําจะอธิบายชัดเจนกว่านี้นะตอนนี้มันยังดึงไปไม่ถึงนะเอาละลองดูตอนต่อไปอันนี้รู ป, ปรสัญญานามสัญญาซึ่งจะไปอต่อเชื่อมกับเมื่อวานที่เราดูเรื่องภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอันนั้นท่านแค่เจอดจงลงไปเนื่องจากที่ให้ดูว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย น, ะนั่นเป็นคําในต้นพระสูตร ที่ท่านจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาท ต, ต่อไปเพลินผมตัดมานิดเดียวเนื้อหาจะไม่ต่อแต่นำมาอธิบายตอนนั้นให้ฟังก่อนสาธยายตอนนั้นให้เข้าใจก่อนทีเนี้ยคือนี่ไม่ใช่แค่กายนี้ไม่ใช่ของเธอเท่านั้นเมื่อปรงธุระลงไปในรูปสัญญานามาสัญญาความจําได้หมายรู้ว่ากายนี้เป็นของเราที่เคยมีอยู่ในคนทั้งหลายเนี่ยมันจะดับวับหายไป เมื่อความรู้สึกนั้นหายไปอย่าลืมว่านามรูปคือสิ่งเดียวกันพนะื้นที่ความจำทั้งหลายก็จะถูกลบทิ้งไปไม่ได้ใช้แทนจะระลึกขึ้นมาอีกก็ทำไม่ได้นามรูปจึงเป็นสิ่งเดียวกั น, ต, น, นตระทานันตะลําำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า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 ไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุภัทธาสามเณรท่านพิจารณาแต่คาว่าอัธิมินชงังเยื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัธิกสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็อพองใสรุ่เรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนจนได้บรรลุธรรมาวิเศษเหตุถือเอาอัติกาสัญญาเป็นอารมณ์ เห็นอนาตาแจ่งแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอนมรณะสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอธิกาสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงหน้าเกลียดเสีอิสเอียนเต็มไปด้วยมูหนอนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมาก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 แต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ำเป็นทุกไปสิอีกถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตสแสดงมานี้เป็นนิมิตอันหนึ่งครั้นจดจำได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลไม่ผ่านในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยท่านคิริมันนทสูตรเนี่ยถ้าเอาเข้า ถ้าพูดกันตามตรงเลยเป็นพระสูตรที่เหมาะกับผู้ที่อินทรีย์แก่จริงๆไม่ได้เหมาะกับผู้ที่มาศึกษาธรรมเพราะอย่าลืมว่าคำสอนพุ่งตรงไปที่พระคิริมนนที่อาพาธหนักแล้วก็กำลังจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะลงไปแบบขั้นสุดท้าย คือคือต้องปลงธุระลงให้ได้เลยในช่วงเวลาสั้นๆดะนั้นอินทรีย์ต้องแก่มาก<ม>แล้วก็ตอนจบก็จะได้ทราบกันแต่ผมคงบรรยายไม่ถึงแน่<ม>นะพระกริมนนก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตะ์หลังจากฟังจบนะอาพาธ ท, ทั้งหมดก็หายไปสิน้นะส่วนคำว่าหายไปสิน้นก็อย่างที่ผมบอกคือก็แล้วแต่ในยะของท่านนะ คำว่าหายไปสิ้นคืออะไรดังนั้นถ้าจะไม่เข้าใจบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะต้องมองว่าวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายหรือเวลาที่บรรยายหรือว่าเทศนานี้เนี่ยเกิดขึ้นกับใครเพราะผมเห็นหลายคนพอฟังประสูตรนี้ก็บอกว่าโอ้โหยากขมเลยคือไม่รู้เรื่องเลย แต่ผมว่าถ้าท่านเข้าคล้อยผมมาบ่อยๆแล้วมีพื้นฐานบ้างแล้วมีอะไรก็นจนกระทั่งเริ่มต่อให้จะไม่เห็นแจ้งขึ้นมาก็ตามแต่เริ่มพอจะเข้าใจได้ะหรือว่าถ้าบางท่านเห็นแจ้งไว้แล้วก็ดีก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปใหญ่แล้วก็ทีนี้ก็เห็นเข้าไปที่ความจริงก็จะเป็นเสริมแล้วก็มุ่งสู่การเดินทางได้อย่างมั่นคงขึ้นนะสรรพสิ่งล้วนเป็นอ น, นัตตาไม่ใช่ของเรา เพราะฉะนั้นในทุกพระสูตรด้วยจุดหมายปลายทางถ้ามาวานฟังไหนของทิศความที่ผมพูดว่าการมาปฏิบัติธรรมของแต่ละคนจุดมุ่งหมายคืออะไรถ้าจุดมุ่งหมายอยู่ที่ตรงนี้ท่านก็ได้ยินทุกอย่างแต่ถ้ามาแค่เอาแบบไหนนะก็แบบไหนก็ได้ก็แล้วแต่ แล้วแต่คนไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรท่านก็บอกว่าการเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานน่ก็เหมือนกับมีคนเดินหรือว่ายน้ําข้ามแม่น้ําไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตะโกนบอกคนอีกฝั่งหนึ่งใครจะว่ายตามมามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใครที่จะเพราะไม่ว่ายตามมาก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขา ก็เรื่องของเขาก็จะมีข้อขัดแย้งอะไรก็เรื่องของเขามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนที่วหวยน้ำไปถึงแล้วท่านก็พูดดยแค่นี้เรื่อสาวกพวกคงทาไม่เท่ากันน่ะสาวกไม่ว่าจะวหว้ไปถึงหรือไ่ายไปไม่ถึงมันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่เขาจะวหว้ตามมาไหมยิ่งสองพันหกร้อยปีล่วงมาแล้วยิ่งห่างไกลทำภาษาสดาพระองค์ก็ไม่อยู่แล้ว หลายคนก็อาจจะเปไปทางอื่นเยอะแล้วนะก็นั่นก็แล้วแต่แล้วแต่ฟังอีกตอนหนึ่งก็แล้วกันดะูกรา น, นุนนักราทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรมฐานปราธนาเอาพระนิพพานเป็นที่ต่าง น, นั้นท่านยมถือเอาอสุภะในตัว เป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายังเอาอสุภาพภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็นทางปัญญาเอาละถ้าเรานึกภาพว่าตอนนี้ท่านคิริมานนกําลังนอนเจ็บป่วยอาพาธเนี่ยท่านคงไม่ได้ปลื้มป่าถนาอะไรกับกายนี้มากแล้วถูกไหมคนที่กําลังนอนเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลไอซีใกล้จะถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคงจะไม่มีป่าถนาอะไรกับกายนี้มากแล้ว พระองค์แค่ตัดไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ชี้เข้าไปที่อสุภกรรมฐานในตัวบอกไม่ต้องไปดูของนอกตัวดูของที่อยู่ในตัวนี่แหะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรทราบซึ้งเท่าแล้วกับไอ้กายที่กําลังเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยใครขึ้นมาก็คงไม่ได้อยากใข้ขึ้นจะบังคับไม่ให้ใครขึ้นก็ทําไม่ได้คือทุกอย่างมันแสดงธรรมประจักษ์แจ้งต่อหน้าต่อตาทั้งหมดบางช่วงหายใจไม่ออก คนเราต้องไม่มีใครอยากหายใจไม่ออกมันเคยคุ้นกับการหายใจออกก็จะหายใจออกหายใจเข้าตามปกติอยเนี้ยกระบังลมมันบีบบีบ อ, อัดอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นความทุกข์มากเพราะฉะนั้นจะเห็นแต่อสุภหะเห็นแต่ความน่ารังเกียจของกายนี้ทั้งหมดนต้องเห็นภาพตามนี้แล้วจะเข้าใจเลยว่าท่านคีริมนนเริ่มเข้าไปใกล้การปล่อยเต็มทีแล้วเพราะยังอาศัยสัญญา เพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ถ้าเอาอาสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเวลาเราไปดูภาพอาสุภะกรรมฐานที่ภาพหน่าเปียดเละเทะลูกตาหลุดออกมานอนเยอ่อเยี่มันเป็นสัญญาพระเจ้าบอกว่ามันเป็นสัญญาที่จำเอาไว้แล้วนำมา ล, ลึกมันไม่เหมือนกับการที่เพ่งลงไปเห็นกันจ ông, ้งๆอย่างเงี้ย มันปล่อยเลยนะการเอาสัญญาเข้ามา ล, ลึกเนี่ยมันใช้งานได้ยากเพราะสัญญามันยังมีความแปรปรวนมันไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงสัญญามันแปรปรวนนะแล้วมันก็ต้องมาปรุงแต่งสัญญาเป็นภาพให้เราเข้าไปเชื่อถือสัญญานั้นอนะ่ะมันเป็นขันที่เกิดเกิดดับดบนะสู้ปังเข้าไปเลยนะเพราะอาสุภาค ร, รมภฐานเดี๋ยวท่านจะอธิบายฟังมันไม่ใช่ว่าต้องเน่าเปื่อยผุพัง แค่ผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็อสุภากรรมฐานเต็มพน้นแล้วเป็นตัววิปัสนายานได้ดูกร อ, อานุ่มบุคคลผู้ใดปราถนาพระนิพพานจะยังอสุภากรรมฐานในตนให้แจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็พิจารณาปฏิคูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวของเรานี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ ก็หากเป็นของน่าเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไปแล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้หากมีหนังหุ้มไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็โดยลมอัศสาสัปัตสาสาพพักเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้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 เข้าใจไหมเราก็เห็นภาพตามนะกายนี้ก็แค่มีหนังคุ้มถ้าถลกออกก็เหมือนไก่แดงแดงที่เขอยู่ตามตลาดนะเนื้อแดงแดงก็ปีปขายกันนะ ถ, ถลกออกนจะบอกมนุษย์เดรัจฉานกายหยาบนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันข้ามเนื้อเป็นมัดมัดตับไปไส้พุงแบบเดียวกันเอาออก ให้มันมีแต่เรื่องของอสุภะทั้งสิ้นต่อให้อยู่อย่นี้ทีนี้ท่านบอกว่าถึงลมหายใจก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราอะไรมันจะอยู่ก็อยู่พอหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปเพราะลมหายใจจริงๆคืออะไรครับคือการที่ปอดขยับถูกไหมพอฮึมัก็อย่างนี้ถูกไหมคล่ายๆลูกโป่องอ ตกลงลมหายใจคือลมหายใจเหรอเปล่าคือการขยายกับการแฟบของปอดลมหายใจอย่างเนี้ยสภาพอย่างเนี้ยถ้าท่านเห็นขณะนั่งสมาธิหรืออะไรเนี่ยคือสภาพอนัตตาเราจะเรียกว่าลมหายใจแต่จริงๆไม่เคยมีมันมาจากนี่ต่างหากนี่ต่างหากพอเข้าไปดูสภาพอ๋อทั้งนั้นนี่คงเป็นตัวตวนนะไอ้นี่คงไม่ใช่หรอกลมมันเป็นผลผลิตถูกไหมไอ้นี่เป็นโรงงานผลิตพอเห็นไอ้นี่ขยับ ไอ้นี่ก็ไม่ได้ขยับเนื่องจากมีกระบวนการที่เลือดต้องการจะฟอกมันจึงจำเป็นต้องการออกซิเจนมันจึงทำให้เกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นมาจึงมีลมไหลเข้าไปผมถึงประวตินี่มันพัฒนาการที่มันพัฒนาการกันมานานแล้วจนยิ่งกว่าระบบของโรงงานอุตสาหกรรมใดๆที่ซับซ้อนแต่ไม่มีตัวตน ทำงานกันโดยเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยทำงานกันโดยเหตุปัจจัยทั้งหมดยุ่งกัดตรงนี้บวมแดงตรงนี้คันตรงนี้ร้อนตรงนี้แต่คนสั่งอยู่ที่นี่คนสั่งอยู่ที่นี่แล้วคนนี้ก็ไม่มีตัวตนทำงานตามหน้าที่ของมันเป็นธรรมชาติกันทั้งหมด แต่ถูกยึดถือขึ้นมาด้วยความรู้สึกหลมๆลมแรงแรงลอยๆขึ้นมาว่าเราแค่นั้นเองทีนี้การถอดถอนความเห็นผิดนี้จําเป็นนอกจากเห็นแล้วจะต้องมีกระบวนการชำระกิเลส ด, ด้วยวันนี้คนที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเอาแต่ดูๆ ร, รู้รู้ตามดูตามรู้นึกว่าเห็นเห็นรู้รู้แล้วก็จะบรรลุเดี๋ยวฟังคินิมนต์ตอนหลังๆ ขาขาดลมหายใจเข้าออกแล้วความสวยความงามในตนและความสวยความงามในภายนอกคือบุตรภรยาแลข้าวของเงินทองและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ยอมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเหลียวซ้ายแลขวาก็จะได้เห็นบุตรภรยาแลนัดดาหามิได้ต้องอยู่คนเดียวในป่าชา้า หาผู้ใดจักเป็นเพื่อนสองมิได้ดูกรอาน o น์บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมาฐาน3านโกตธาตุเห็นซากผีดิบในตนชื่อว่าได้เพือความสุขในทางพระนิพพานวิธีเจริญอสุภะกรรมาฐานตามลำดับคือให้ปรุงจิตลงในเกษรให้เห็นเป็นอสุภะ แล้วให้สําคัญในเกสานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมาตั้งลงปลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอาหน้าขาทันตาตั้งลงปลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นอสุภะไหมเอาจริงๆท่านเห็นไหม เห็นเหรอที่สระผมกันแพนทีนผมสะสวยในเจ็ดวันเลยเห็นเหรอเห็นตอนไหนตอนที่ของแม่ครัวมาหล่นลงไปในปิ่นโตท่านนตอนนั้นแ่ะถึงจะเห็นเป็นอสุภะแต่ของเราเรามองไม่เห็นแต่ท่านหล่นลงไปในจานข้าวเนี่ยไม่ว่าร้านไหนก็ตามท่านเคลมแน่ นอกจากครม์มันจะจิกเขาด้วยะหรือจะไม่ก็ขอเงินคืนหรือไม่ก็โกรธขนาดไปกินร้านอื่นดีกว่าทําไมพ่อครัวไม่ใส่หมวกแค่ผมหล่นลงไปเส้นหนึ่งยังไม่ยอมกินเลยจึงทําให้ผมนึกถึงเรื่องเล่าเรื่องนึงของหลวงพ่อสิงห์ทองที่เล่าถึงท่านอาจารย์พุทธทาสเรื่องผมขนเล็ฟันหนังแต่ไม่ใช่ผมแต่กลายเป็นขนวันหนึ่ง หลวงพ่อสิงทองก็จัดสำรับพระตาหารให้ท่านอาจารย์พุทธทาท่านก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นก็ท่านก็ยืนก็ยืนรับใช้อุปถาคอยู่หลวงพ่อท่านพุทธทาสก็กำลังชันท่านก็ยืนท่านเห็นละ่ะท่านบอกว่ามันเป็นขนหงิกท่านใช้คำนี้นะเราจะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ละ่ะสัญญาที่ขึ้นใน ใ, นใจท่านตอนนี้ ก็คงจะเห็นแล้วละ่ะไอ้ขนอีกๆเนี่ยคือหน้าตาเป็นยังไงทีนี้ขณะที่ท่านกำลังยืนดูอยู่เนี่ยท่านดูท่าก็หยิบไอ้ขนอีกๆนั่ น, นออกแล้วก็วางไว้ข้างจานแล้วก็ทานคือหลวงพ่อสิงห์ทองกำลังจะขอเข้าิดเปลี่ยนขอเข้าิดเปลี่ยนชุดใหม่สำรับใหม่ แต่เห็นท่านนั่งฉันต่อแบบไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อก็เลยออกไม่ยืนไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปขัดจังหวะแระท่านก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าพวกเราเนถ้าเกิดโดนสภาพเดียวกันมีใครที่ดึงออกเฉยๆแล้วก็จะทานต่อไหมนะทั้งๆ ท, ที่ท่านกคยเห็นความเป็นอสุภะแต่ท่านก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรกับมันไม่ได้ต้องอะไรกับมัน แล้วก็พอดีมันมาถึงตรงนี้นะแล้วให้เอาตะโจตั้งลงตามัำดับไปจนถึงมัทเเกมัททะลุงคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภาพเป็นอนตตาโดยในเดียวกันรูกราอ น, อนน์เราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดาร ให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ในอนิจจังทุขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภะกรรมฐานท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนื่องชา ท่ยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสงเคราะห์ลงในอริจังทุกขังอนาตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวการที่จะเริญอสุภกรรมาฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อนายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายในและภายนอกให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพัง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 เอาทวัดติงสาการสามสสองเป็นอารมณ์ก็ควรลักกองกิเลสตัณหาให้ขาดศูนย์พยาะงการเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยก็จะช่วยทำให้เกิดความเบื่อหน่ายใครความยึดถือเพราะสุดท้ายมันจบที่เดียวกันหมดนี่การเข้ามายึดถือมีความรักความผูกพันในกายนี้เนี่ย ขณะที่มันกาลังมีความผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับกายนี้เนี่ยแล้วท่านจะต้องคือการแตกทําลายหรือการตายอ่ะมันเป็นการกลายเป็นถ้าคนมีความผูกพันกับอะไรมันเหมือนกถูกกระชากมันเหมือนโยมบาลมากระชากท่านไปทั้งที่ความเป็นจริงไม่มีใครกระชากท่านไปแต่เพราะความเข้าไปยึดถือเนี่ยมันจึงทําให้ก่อนสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วมันพอมันแตกทําลายไปก็กลายเป็นฉันไม่อยากไปฉันไม่อยากไปอย่างเนี้ย มันก็โหยหาที่นี่จิตเมื่อมันผูกพันอยู่กับอะไรมันก็วนเวียนอยู่แถวนั้น่ะก็จึงกลายเป็นเปรตเฝ้านู่นนี่นั่นไปเพรนั้นถ้ามันไม่วางกันตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตเนี่ยจะไปรอวางอะไรกัตอนกําลังวินาทีจะขาดใจตายมันวางไม่ลงหรอกไม่ง่ายหรอกขนาดตอนนี้ยังวางไม่ได้เลยขนาดนั่งปฏิบัติมันยังวางไม่ได้เลยความเจ็บก็ดีความปวดก็ดีความงามความงามความผูกพันมาจากไหนล่ะความผูกพันในกายมาจากไหนอ่ะ อาเริ่มไม่ง่ายเลยผู้หญิงทาครีมลงไปทุกครั้งที่มีการถูลงไปจิตจะค่อยๆปักค่อยเป็นหนึ่งราคานุใสจะค่อยๆเกิดขึ้นถูกไหมและยิ่งมันอ๋อที่บูตอนนี้นุ่มดีนะเริ่มขาวภายในเจ็ดวันจริงๆด้วยราะความผูกพันจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเป็นระดับสองสามสี่้าหกไปเรื่อยๆจากการทาทุกวันทุกวันที่ไม่รู้ตัว ถ้าถูกมองมองไปมันก็ไหลเข้าไปในจิตก็ เ, เกิดเป็นอนุัยก็ถูกันเข้าไปาคือท่านอย่าเพิ่งบอกว่าอาแล้วตกลงไม่ต้องทักผมไม่ตอบแต่ผมจะทําให้เห็นว่ามันเริ่มบันทึกกันยังไงมันเริ่มค่อยๆก่อความผูกพันกันแบบไหนอาหารโอ้อร่อยจังเลยอานนี้นะรสชาติดีจริงผูกยังผูกแล้วเริ่มผูกแน่นขึ้ น, นเรื่อย กายเป็นว่าทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่เรากำลังใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าการดูคดีโอ้นี่น่าสนใจนะอยากซื้อจังเลยผูกผูกูเราผูกทุกอย่างเราฝังทุกอย่างลงไปในหัวจิตหัวใจเราหมดพอพูดถึงลากพิเละมานั่งอยู่อย่างนี้ความเคยชินก่อให้เกิดความไอหนึ่งก็ไม่ได้กินวิต อ, อ, อยากกินนี่นั่นจังเลยไม่มีเลยมีแต่เป็นโต อ้ น, นี่เจ็ดวันอดทนอยู่นะเดี๋ยววันที่แปดก็กลับบ้านนล้วท่านยังปิินได้กิเลสก็กลับมาฟื้นฟูได้วันนี้อดทนอดทนอดท น, อดทนไปเผากิเลสบอกว่าเผากิเลสมันเผาไม่ค่อยจริงหรอกเพราะมันมีปลายทางให้ปิินบวชอย่างนี้ชี้เนี่ยจะกลับไปอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะเครื่องแบบข้อศีลข้อวัดค้าอยู่เพราะฉนั้นไม่มีที่ปิิน หมดพวกเราหมดเจ็ดวันกลับไปปิ้นท่านไม่มีปิ้นท่านไปต่อไปต่อสแสวงหาจนพบโมระธรรมเพราะฉะเมื่อไหร่จิตมันปิ้นไม่ได้เนี่ยเมื่อนั้นล่ะมันจะมันจะเป่งมันจะเริ่มเป่งที น, นี้เราไล่จัดการกันเดีง่ายล่ะมันเป่งขึ้นมาเลยจะได้จัดการซะกิเลสตัวไหนๆก็เริ่มผุดขึ้นมาล่ะทีเนี้ยค่อยๆผุดขึ้ น, นมา ก็ใช้ความเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยอยู่ในอริยามรรคมีองค์แปดนี่แหละค่อยๆสร้างความเคยคุ้นใหม่ไอ้ของเดิมของเดิมก็ถูกชำระไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปฆ่าฟันกันด้วยไม่ต้องไปเพี้ยนเพ่งเผาด้วยอยู่ในความเป็นอยู่โดยชอบให้ได้อสมมติว่าต้องตื่นตีสี่มันลำบากเวลาตื่นตีสี่อบางคนตื่นบ่อยๆก็ไม่รู้สึกอะไรบางคนก็อย ดีเร็วไปบ้างเนี่ยในคกาเสียก่อนเนี่ยอะไรพึ่งถอนเมื่อกี้นี่เองรักอีกเหรอโหอะไรวะเนี่ยตอนนี้แหละที่เอาละค่อยดูนะจุดกั้มกึ่งระหว่างจะลุกกับไม่ลุกเนี่ยอีกแป๊บหนึงมันน่าจะทันนะส่วนตัณฑ์ห้านะคอยหน่อยตอนนี้ก็ขับกลับเข้าไปสู่ความเคยคุ้นอะไรที่เป็นตัวบอกไม่อยากไปอ่ะ เพรความเคยชินที่ท่านอ่าสมมติว่าท่านเคยตื่นหกโมงเช้าท่านไม่ได้ตื่นตีสี่กานตื่นหกโมงเช้าในโลกก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรนี่ถูกไหมไม่ได้ผิดน่ะก็คว่าจะออกจากบ้านก็เจ็ดโมงก็ขึ้นรถไฟฟ้าก็ไปทํางานทันทุกวันเนี่ยอ่ท่านตื่นหกโมงไม่มีใครว่าอะไรแต่พอมาตื่นตีสี่ปั๊บเอาละก็ต้องใช้กําลังะนะฮึบขึ้นมาหนึ่งรอบก่อนฮึขึ้นมาจากเตียงอีกได้ที แต่พอทําไปบ่อยๆสมมติว่อยู่เจดวันอยู่หนึ่งเดือนอยู่สองเดือนอยู่หนึ่งปีต้องตื่นตีสี่ทุกวันมันจะเปลี่ยนไหมล่ะทีนี้พอตีสี่แล้วจะมีปัญหาไหมล่ะมันก็เหมือนเราตื่นหกโมงนั่นแหละพอตีสี่ก็ก็ตีสี่เดีย๋ยถ้าไปนอนวัดไหนตื่นตีสองก็อีกทีหนึ่งนะก็อีกสักสองเดือนแล้วก็ขยับขึ้นไปใหม่เสร็จแล้วก็อยู่เป็นปกติอีกถูกไหมไม่แน่นะอาจารย์เ <c oughs> <laughs> ช้าไปเปล่า มันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติมองตรงนี้ให้ออกก่อนมองตรงนี้ให้ออกก่อนสแสดงว่าถ้าคนคนนึงบอกโอ้ฉันไม่ไหวยังไงฉันก็ไม่เออเขาก็จะกลับไปที่เดิมเขาจะไม่สามารถเลื่อนขึ้นไปที่จุดใหม่อย่าเพิ่งมองการตื่นทีสี่นะไม่งั้นท่านจะมีข้อขัดแย้งเยอะผมเพราะเดี๋ยวจะขยับขึ้นไปในเรื่องของมัคไม่ใช่เรื่องการตื่นทีสี่เมื่อมีความเคยคุ้นขึ้นมาจากการทาบ่อย ของเก่าก็จะค่อยหายไปนะทีนี้คนเราล้างของเก่าไม่ได้เพราะมันไม่กล้าสู้มันไม่ยอมสู้เหมือนคนติดบุหรีอ่อ่ะง่ายๆนะคนติดบุหรี่จะเลิกบุหรี่นะโอ้โหทั้งโหยทั้งถูกไหมล่ะไปเข้าสมมติว่าเข้าศูนย์บำบัดเขาไม่ให้สูบโอ้ยกของมันเคยอะ่ะบพูดง่ายๆว่ของมันเคยถ้าบอกโอ้ยไม่ไหวอะ่ะทุกข์เหลือเกินฉันทนไม่ไหวอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาออกจากศูนย์บําบัด เขาก็จะกลับไปสู่อีกแต่ถ้าเขาอยู่ในศูนย์บำบัดอดทนอดทนอดทนจ น, น, นถึงมันเลยจุดนั้นไปเนี่ยเขาจะพบกับความเป็นอิสระจากบุหรี่เขาจะพบความสุขที่ไม่เหมือนกับความสุขที่เคยได้สูบบุหรี่คนสูบบุหรี่เนี่ยเขามีความสุขถ้าเขาบอกว่าเขามีความสุขจากการได้สูบเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นห้าชั่วโมงไม่ได้สูบเฮย้ยเมไหรจะเลิกนะครสักทีเดี๋ยวจะได้ออกไปสูบบุหรี่ เขาบีบคั้นอึดอัดใจตลอดเวลาแต่เขาไม่เห็นทุกข์เพราะใจของมั น, นตั้งรอที่จะไปสูบบุหรี่ให้ได้ความสุขแต่ทุกตลอดเวลากลับไม่เห็นเลยเฮ้ยถ้าเราที่ไม่ได้ติดอะไรทั้งนั้นเราเราไปนั่งดูคนติดบุหรี่เขาบอกโ oh, อ้เขามีความสุขมากสุขยังไงวะเราจะงงงสูบปืดปืดทุกสูบเนี่ยมันเต็มไปด้วยความบีบคั้นบีบคั้นมันยังไม่เห็นเลยขณะที่สูบที่มันบอกว่าสุขอะ่ะมันเต็มไปด้วยความบีบคั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลย เสร็จ แ, แล้วพหลังจะสูบเสร็จปั๊บไปทางานก็เอ้ยมีบุหรี่ป่ะเอาไม่เมีคนโู้นก็ไม่มีคนนี้อ่อมมีบุหรี่แล้วไฟอ่ะไฟไม่มีมีเดือนอยู่บนเพดานนะก็จุดไม่ได้อีกก็ทุกข์อีกทุกข์อีกไม่เห็นทีนี้พอมาเ อ, อเลิกดีกว่าไม่ดีต่อปอดนะไม่ได้เห็นว่าจิตใจไม่ดีแล้วนะแต่มันไม่ดีต่อปอดก็มาเลิกมาเลิกก็บีบคั้น หวังอยากสู้สุดท้ายกลับไปสู้ก็เหมือนเดิมแต่ถ้าสู้สู้สู้สู้มันแน่และมันต้องฝืนฝืนฝืนกระแสขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเป็นอิสระถึงได้พบว่าความสุขที่แท้จริงคนสุบุรีอาจจะพูดได้เลยว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การที่เป็นทาตของบุหรีเว้ยความสุขที่แท้จริงมาจากความเป็นอิสระจากบุหรีตัางหากแล้ว ที่ไม่ต้องกลับไปใช้มันอีกแล้วไม่ตกเป็นทาตมันอีกแล้วฉันใดก็ฉันนั้นะ่ะวันนี้ความสุขของคนในโลกมาจากการเป็นทาตของกิเลสตัณหาทั้งสิ้นที่บงการว่าไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นั่นก็อยากได้ถ้าได้ไอ้นี่แล้วฉันจะมีความสุขถ้าได้กินอย่างนี้ฉันจะมีความสุขวิ่งไล่ล่าแสวงหาไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงแล้วก็ต้องหาไปทุกวันหาไปตลอด แล้วก็จะมีคนเติมข้อมูลเข้ามาวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์คมันเติมเข้ามาไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นกิเลสตันหาจะเผาลนจิตใจไม่ได้หยุดจนกระทั่งตายหมดไปชาติตายไปทั้งที่นิยมยังไม่อยากตายตายไม่มีอยากตายก็มีแต่ว่าอยากวิ่งแสวงหาต่อไปตายแบบขาดใจตายตายแบบตายโหงกันไปแต่ละคนก็ตายโหงกันไปตายโหงกันไปตายโหงตายหัวล่างเนี่ยตายหัวล่างตายหวงจิต ตายโหงผ่านไปไม่เคยได้ไปสงบสุขไม่มีที่ปิดตาการทํากาละจิตสงบแล้วไปแบบทิ้งหมดไม่เอาแล้วโลกนี้มีแต่ความหลอกลวงไม่เคยมีใครเห็นเลยมีแต่ตายโหงตายห่ามาทุกวันเข้าไปยึดถือเข้าไปยึดติดกันหมดไอขันเนี่ยที่เป็นของเกิดๆดับๆเป็นอนัตตาเนี่ยไม่เคยเห็นยังสิ่งที่พระเจ้ากําลังตรัสอยู่ในคีรีมณน์เนี่ยเอาจริงๆแค่สามตอนเนี่ยผมว่าท่านคีรีมนนก็จะหลุดพ้นแล้ว หรือพ้นต่แล้วก็ไม่ทราบด้วยความเคารพแต่ว่านี่เพิ่งจะสี่ทับสี่สิบเองนะเอาละเพราะฉะนั้นการบรรยายเช้านี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะซึ่งก็ไปสนับสนุนเกื้อกูลคำสอนหรือว่าเอ๊ะไม่ใช่คำสอนอ่ะบทพุทธพจน์บทหนึ่งที่บอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอเหการปฏิบัติธรรมให้เข้าใจนะว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัตสรู้อะไร วันนี้จะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป๊เออกไปนอกทางอ่ะเอาง่ายๆต่อให้เราจะเดินทางถึงหรือไม่ถึงก็ตามแล้วแต่แต่ละท่านกันเองแต่อย่างน้อยที่สุดสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป้าหมายเนี่ยชัดเจนได้รู้ว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรไม่ใช่ว่าบนบานสารกล่าวกันอยู่อย่างที่โลกโลกก็ทํากันแล้วก็วันนี้คือพุทธศาสนาฝรั่งมองเห็นก็ง ง, ง ไหนว่าเป็นศาสนาเอกของโลกยังจุดไฟจุดเทียนอย่างบนอยังแก้บนไหนว่าพระพุทธเจ้าให้เลิกจากการเล่นทำไมถึงมีฟอ้อนรากันอยู่เต็มไปหมดแล้วก็แก้บนพระพุทธเจ้ามาช่วยได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยฝรั่งงงนะฝรั่งงงนี่ศาสนาแห่งปัญญาจุดเทียนจุดความกันอุตลุดหมดนะไม่ว่าที่ไหนที่ไหนปัญญาอยู่ที่ไหนถามใครก็ไม่มีใครรู้เรื่อง ผมเห็นสารคดีดิสคอเวอีออกมาแตละอันอายจริงๆเพราะว่าไปสัมภาษณ์เอามาจากชาวพุทธก็ดีอาจจะอะไรก็ดีแล้วก็นำมาทำเป็นสารคดีพุทธศาสนาทำไมถึงไม่มาฟังครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่พูดอะไรที่มันเข้ารุ้งเข้ารอยหน่อยก็ไม่รู้ไปไทยเอาลํำกันอยู่นั่นแก้บนกันอยู่นั่นแก้บนบนด้วยไข่ก็ดี บนพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยอัอนเดียวสวดทาตุปัจเวกนะครับถ้าเราเริ่มเข้าใจรูปสัญญานามสัญญาเข้าใจอนัตตาวันนี้สวดทาตุปัจเวกลองดูคำแปลดูดีๆญาตาปัจยังเปวาสมานังตาตุมาสเมเวตังสิหลานี้นี่เป็นสักว่าฆาตา